เรียนแล้วก็เอาไปทำนะถือศีลห้าไว้แล้วทุกวันต้องซ้อมฝึกหัดรู้สภาวะไปถนัดรู้กายก็คอยรู้สึกอยู่ที่กายเรื่อยๆอย่าลืมกายคอยรู้สึกแต่อย่าไปเพ่งกายร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกต่อไปมันจะรู้สึกโดยมไม่ต้องเจตนา ตอนนั้นสติมันจะเกิดเมืจิตมันจําสภาวะได้แม่นสติก็จะเกิดหรือเราถนัดดูความรู้สึกเราก็ดูเรื่อยๆไปดูคนไหนโลภมากก็ดูเดี๋ยวจิตก็โลภเดี๋ยวจิตก็หายโลภเดี๋ยวก็โลภอีกยดูอย่างนี้เรื่อยๆจิตจําสภาวะที่โลภได้แม่นสติก็จะเกิดเองเวลาความโลภเกิดขึ้นคนไหนขี้โมโ oh ห ก็คอยรู้ไปโกรธขึ้นมาก็รู้หงุดหงิดขึ้นมาก็รู้คอยรู้ทันใจของเราเรื่อยๆจิตจําสภาวะของความโกรธได้แม่นพอความโกรธเกิดขึ้นนิดเดียวเนี่ยก็เห็นละสติมารรึกรู้โดยไม่เจตนาะระลึกเนี่ยเราต้องฝึกจนกระทั่งสติตัวจริงเกิดไม่ได้เจตนาให้เกิดมันเกิดเพราะว่าจิตจําสภาวะได้แม่น พอสภาวะนั้นเกิดขึ้นมาสติก็เกิดเพราะงั้นเวลาหัดดูสภาวะนั้นเราต้องดูสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดถ้าดูสภาวะทางจิตใจไม่ได้เรารู้สึกในร่างกายได้มากกว่าใจแล้วก็ดูที่กายถ้าเรารู้สึกทางใจได้มากความรู้สึกทางใจมันเด่นคนไหนขี้โกรธเงี้ยเราก็ใช้ความโกรดนี้แหละเป็นเครื่องอยู่ จิตโกรธขึ้นมาเรารู้จิตโกรธมาเรารู้เราเลือกสภาวะที่เกิดบ่อยนะทำไมต้องเลือกสภาวะที่เกิดบ่อยๆรู้สภาวะที่เกิดบ่อยๆจิตจะได้จําสภาวะนั้นได้แม่นเมื่อจิตจําสภาวะนั้นได้แม่นแล้วพอสภาวะนั้นเกิดสติม get, ันจะเกิดนี่สภาวะนั้นเกิดบ่อยสติก็เกิดบ่อยนันไม่ใช่กิเลสเป็นของไม่ดีนะ king, ความโกรบความโกรธอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีสักทีเดียว เอามันมาเป็นเครื่องมือฝึกสติของเรานี่แหละต่นหลวงพ่อบวชใหม่ๆนะมันก็มีไอหนุ่มคนหนึ่งจะไปเรียนกรรมฐานหลวงพ่อดูหน้าตาแล้วนะไอคนนี้มันภาวนายาก่งช่างชิดความรู้สึกมันรุนแรงเป็นคนที่รุนแรงบอกให้มันดูความรู้สึกตัวเอง มีดูความรู้สึกตัวเองเป็นเครื่องอยู่ไปนี้มันบอกไม่เอาผมรู้หลักแนละ้วต่อไปถ้าฟ้าร้องผมจะรู้สึกตัวปีหนึ่งมันร้องกี่ทีนานๆร้นนองฟ้าร้องแล้วถึงจะรู้สึกฟ้าร้องแล้วรู้สึกเพี้ยนแล้วนานๆรู้ทีก็จำสภาวะไม่แม่นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าให้เรานะั้นเกิดอยู่ตลอดเวลา เื่อนหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวก็หายใจอยู่ทั้งวันอยู่แล้วมันเกิดตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวเนี่ยทั้งวันก็ยืนเดินนั่งนอนก็มีกรรมฐานอย่างนี้อยู่ทั้งวันมีความสุขมีความทุกข์มีความเฉยเฉยแล้วรู้สึกตัวทั้งวันมันก็สุขมันก็ทุกข์มันก็เฉยมันก็วนเวียนอยู่แค่นี้มาสังเกตดูกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าให้เป็นกรรมฐานที่มีตลอดเวลา ไม่ใช่ปีหนึ่งมีไม่กี่ครั้งหรือสองนาทีมีครั้งหนึ่งวดเก่งป่าพุทธเจ้าไปไม่รอดสักลายหรืออย่างท่านสอนคนไหนขี้โมโหดุคราพิสูทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะโทสะเกิดบ่อยกระทบอารมณ์ทีไรก็หุนหิดกระทบอารมณ์ทีไรก็หุนหิดนี่ใส่เป็นอย่างนี้หุนหิดทั้งวันเลยใครเป็นพวกหุนหิดทั้งวันมีไหมยังไม่ซื้อ ไทยเป็นพวกโลภทั้งวันเจออะไรอยากได้หมดเลยใครหลงทั้งวันนี่อันดับหนึ่งหลวงพ่อถึงสอนไงหลงแล้วให้รู้หลงแล้วให้รู้จิตไหลไปแล้วให้รู้ะวันนี้ยเยอะที่สุดเลยแล้วมันเป็นต้นทางด้วยถ้าจิตไหลไปเราไม่รู้นะราคะก็เกิดโทสะ ก, ก็เกิดถ้ารู้ตั้งแต่ต้นทางคือการที่จิตฟุ้งซ่านจิตมีโมหะจิตเคลื่อนไปเรารู้ราคะโทสะเกิดไม่ได้หรอก งั้นถ้าแน่จริงนะเรามาฝึกตัวที่ยากที่สุดเลยละเอียดที่สุดคือตัวโมหะแต่ว่าเกิดบ่อยที่สุดหัดดูสภาวะที่เกิดบ่อยๆแต่ถ้าดูโมหะไม่ออกขี้โมโหมากไม่เห็นโมหะสักทีก็ดูความโกรธเราจะเห็นว่าทั้งวันเนี่ยจิตมีสองอย่างคือจิตโกรธกับจิตที่ไม่โกรธจิตโกรธกับจิตที่ไม่โกรธทั้งวันมีอยู่แค่นี้งพวกขี้โลภทั้งวันก็มีจิตโลภกับจิตไม่โลภ พวกหลงเก่ ง, ก, ง ก, ก็หลงไปแล้วก็รู้สึกหลงไปแล้วก็รู้สึกทั้งวันก็มีอยู่แค่นี้เพะนั้นกรรมฐานที่พระเจ้าให้เราทำนะมันจะเป็นกรรมฐานที่เป็นคู่คู่คู่เดียวพอคู่ที่เกิดบ่อยอย่างถ้าเรารู้หายใจออกหายใจเข้าได้แค่นี้หนึ่งคู่หายใจออกหายใจเข้าแค่นี้รู้ได้ทั้งวันล้ว ฝึกสติได้ยี่สี่ชั่วโมงเลยโยกเป็นตอนนอนนะมันก็ไม่ถึงยี่สี่มันนอนบ้างคือฝึกในทั้งวันะเพราะามันเกิดทั้งวันทั้งวันก็หายใจอีกคู่หนึ่งก็คือยืนเดินนั่งนอนบางคนบอกยืนเดินนั่งนอนนุ๊มีทั้งสทําำไมเป็นคู่คำว่าคู่นี้ไม่ใช่แปลว่าสองอันนะคู่นี้หมายถึงมันเป็นตัวที่เทียบเทียงกันได้คือเป็นภาชีเป็นพวกเดียวกันนะอยู่ในกลุ่มเดียวกันในกลุ่มของยอิ่งยบท ยืนเดินนั่งนอนทั้งวันก็มันก็มีแค่ยืนเดินนั่งนอนนานๆมีกระโดดทิ้งจะไปฝึกกรรมฐ า, านมันมีสติตอนกระโดดเงี้ยนานๆจะกระโดดทิ้งเงี้ไม่ได้กินหรอกจิตมันจําสภาวะได้ไม่แม่นเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเคลื่อนไหวหยุดนิ่งทั้งวันก็มีแค่นี้อันนี้เป็นอิทธิบาบทย่อยในอิทธิบาบทย่อยในสติปัฏฐานอยู่ใน สัมปชัญญะบอบพระเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเคลื่อนไหวหยุดนิ่งนะอยู่ในสัมปชัญญะบอบพระทั้งวันมันก็มีแค่นี้แหลนะกระดุกกระดิกไปแล้วก็หยุดหน่อยเดี๋ยวก็กระดุกกระดิกนะถ้าเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกหยุดแล้วก็รู้สึกก็คือรู้ได้ทั้งวันลนะนะอีกคู่หนึ่งคู่นี้แปลกมีสามตัวสุขทุกข์เฉยเฉยก็ถือเป็นกลุ่มเหมือนกันเป็นคู่คําว่าคู่ไม่ใช่สองนะ คู่ในที่นี้หมายถึงมันเทียบเียงกันได้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในกลุ่มของมันได้งั้นเราดูสุขทุกข์เฉยๆทั้งวันก็มีแค่นี้เองทั้งวันมีความสุขมีความทุกข์มีความเฉยๆนี่หมุนเวียนกันอยู่ถ้าในร่างกายก็มีความสุขความทุกข์หมุนเวียนอยู่ถ้าในใจมีความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ความเฉยๆนี่หมุนเวียนอยู่ดูแค่กลุ่มเดียวนี้ก็เห็นได้ทั้งวันแล้วก็คือฝึกสติได้ทั้งวัน ถ้าหาดรู้สามตัวนี้ได้ตัวไหนเกิดก็รู้ตัวไหนเกิดก็รู้ ก, ก, รก็คือรู้ได้ทั้งวันถ้าจากนั้นก็ดูกิเลสเอาชี้โกรธก็เห็นคู่ของความโกรธคือความไม่โกรธชี้โลภคู่ของมันก็คือไม่โลภชี้หลงคู่ของมันก็คือรู้สึกตัวหาหัดดูเป็นคู่คู่คู่ไปฟุ้งซ่าน ฟุซ่านคู่กับอะไรฟู้งซ่านไม่ใช่คู่กับไม่ฟูงซ่านถ้าเมื่อไหร่ฟู้งซ่านนะถัดจากนั้นเนี่ยจะซึ ม, มจะคู่กับหุห่นถูนะจะคู่กับหดห่นถู๋งั้นที่ท่านสอนให้ดูจิตนะจะมีอยู่สี่คู่จิตมีราคาจิตไม่มีราคาหนึ่งคู่เอาคู่เดียวก็พอแล้วถ้าเราเป็นพวกขี้โลภ จิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะคู่หนึ่งจิตมีโมหะไม่มีโมหะคือจิตหลงกับจิตรู้นี่คู่หนึ่งนะจิตฟุ้งซ่านกับ จ, จิตหถหูนี่คู่หนึ่งการดูจิตยังมีอีกสี่คู่แต่สี่คู่หลังเนี่ยเป็นสำหรับคนทรงฌานนะังงั้นเรามาฝึกนะหัดรู้สภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดที่เราจะเห็นได้ สภาวะบางอย่างเกิดบ่อยที่สุดเลยเนชะ่นหลงเนี่ยแต่มองไม่เห็นก็ไม่เอาเอาเท่าที่เห็นได้ดูจิตไม่ได้ดูกายนะเอาเท่าที่เห็นได้หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเนี่ยยืนเดินนั่งนอนรูส้สึกสมมติว่าหยับหยับกได้แค่นี้แหละนะได้แค่นี้ก็แค่นี้ถ้าหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกสติเกิดทั้งวันแล้วเนะฉนะ น, นการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเบื้องต้นเพื่อให้เกิดสติ หลังจากนั้นเรามาฝึกนะอันนี้วันแรกหลวงพ่อสอนเรื่องวิธีให้มีสตินี่สรุปให้ฟังอีกทีนึ่งเมื่อวานสอนวิธีให้มีสมาธิสมาธิมีสองอย่างสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเอาไว้ทําสมถะเช่นอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องพองยุบอยู่กับมือที่ทําจังหวะหรือนั่งเพ่งจิตจิตเคลื่อนไปนะเพื่อจ้องว่างๆอยู่ข้างใน จิตอยู่ในอารมณ์เดียวอยู่ในอารมณ์ว่างหรืออยู่กับแสงสว่างอยู่ที่เดียวไม่ไปไหนเลยสว่างอยู่กันทั้งวันวิธีที่จะให้จิตสงบนะแล้วก็เหมือนใช้วิธีที่น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มณันเดียวแต่จิตจะสงบได้ต้องมีเทคนิคคืออารมณ์มันนั้นต้องมีความสุขและเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสถ้าอารมณ์ที่ยั่วกิเลสกิเลสเกิดเนี่ยสติจะขาดใช้ไม่ได้ ยันถึงทำสมาธิชนิดสงบนะก็ต้องไม่ขาดสติถ้าขาดสติเมื่อไหร่มันจะเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งเลยเรียกว่ามิจฉาสมาธิมสมาธิชนิดนี้แหละที่ฝึกกันเต็มบ้านเต็มเมืองฝรงฝรั่งก็ฝึกนะสมาธิชนิดมิจฉาสมาธินี่แหละมิจฉาสมาธิไม่มีสติมันสงบนะแต่ไม่มีสติงั้นเราจะฝึกสมาธิชนิดให้จิตสงบนะ ไปดูตัวเองเรารู้อารมณ์อะไรแล้วมีความสุขเราอยู่กับอารมณ์อ น, นั้นแต่อารมณ์นั้นต้องไม่เป็นอารมณ์ที่ทําให้ขาดสติง่ายไม่ยั่กิเลสนะเช่นเราท่องพุโทโธแล้วมีความสุขเราท่องพุโทโธไปเรื่อยๆใจเราอยู่กับพุโทโธใจมีความสุขใจไม่หนีไปที่อื่นใจก็เกิดสมาธิชนิดสงบขึ้นมาเรารู้ลมหายใจหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าเรารู้ลมหายใจ รู้ไปที่ตัวลมเลยนะเห็นลมไหลา ย, ยาวไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหาออกไ่อยลมค่อยๆตื้นจะกลายเป็นแสงอยู่ตรงนี้เป็นแสงสว่างในใจก็อยู่อย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเราอยู่กับลมแล้วมีความสุขนะ้าอยู่กับลมอยู่กับลมไม่ได้ย่วกิเลสอะไรถ้าด่าคนอื่นแล้วมีความสุขเนะี่ยยั่วกิเลสเล่นหุ้นเล่นหุ่นในยั่วกิเลสนะ นั่งเฝ้าหน้าจอมอนิเตอร์ทั้งวันเลยแล้วบอกว่าจะเจริญสตนะิเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจไม่ได้ดูไม่ได้ดูจริงหรอกนะใจโมไดคิดว่าจะซื้อตัวไหนจะขายตัวไหนนะอย่างนี้มันยัว่วกิเลสใช้ไม่ได้หรอกตกปลาได้สมาธิไหมตกปลาตกปลาได้สมาธิแต่บีดเบียนสัตยังไปทำนะย่าไปท ำ, นะปทำงั้นเราเลือกอารมณ์นะที่ดีๆอารมณ์ดีๆนั้นะ พระท่านยกตัวอย่างมาให้แล้วคือกรรมฐานสี่สบข้อไปหาอ่านเอาเองนะเนี่ยกรรมฐานสี่สบทำมากกว่านั้นก็ได้อย่างพระจุลปันธกะขยี้พระขาวเอาพระขาวมาผืนหนึ่งแนละ้วนั่งคลึงอย่างนีน้บริกรรมระโชหรนังระชังหารติระโชหรนังระชังหารติ ฟังเสียงหลวงพ่อออกไหมตอนที่หลวงพ่อบริกรรมให้ฟังอ่ะฟังออกไหมมันไม่เหมือนเสียงตอนที่พูดนี่นะที่จริงตอนที่พูดนี่ก็ทําสมาธิอยู่แต่ตอนที่โชว์การบริกรรมเนี่ยระโชหรนังระชังหรติเนียแค่ฟังก็สงบแล้วถ้าเราจะไปทํานี้ระโชหรนังระชังหรติโอ้ปีหน้ายังไม่สงบเลยนะ เขามีความสุขใจสบายใจเคล้าเคลียอยู่กับอารมณ์มีใจที่เคล้าเคลียไปใจที่เคล้าเคลียรเรียกว่าวิจารนี่ต้องชำนาญ น, นะถึงวิโต๊วิจารเกิดในขณะนั้นนะปีติสุขเกิดขึ้นเลยตอนนั้นนะีจะเข้าสมาธิรวดเร็วงั้นสมาธินะที่พวกเจ้าสอนไว้ก็เป็นเรื่องกรรมฐาน40พวกช่างชิดก็มีกรรมฐานคืออนุสติสิบอย่าง คิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงทานที่ได้ทำแล้วคิดถึงศีลที่ได้รักษาแล้วคิดถึงความสงบคิดถึงคนดีๆเรียกว่าเทวานุสติคิดถึงคนดีคิดถึงผู้มีคุณงามความดีคิดถึงความตายเรียกมรณะนุสติคิดถึงร่างกายเรียกกายยคตานุสติคิดถึงลมหายใจเรียกอาณาปานสติ ระลึกถึงคิดถึงใจชอบคิดก็คิดเหมือนแทนที่จะคิด ส, เ, สเปสเป๋าคิดเรื่องพวกนี้คิดถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงทานที่ทําแล้วคิดถึงศีลที่รักษาดีแล้วใจจะสงบนี่พวกช่างคิดพวกช่างเพ่งก็มีก ร, กระสินกสินก็มี10บข้อกสินสีมีสี่อย่างกสินธาตุอีกสีอย่างกสินพิเศษอีกสองอย่าง แต่กสิณเนี่ยไม่แนะนำให้เล่นเพราะเล่นแล้วสงบจริงนะมีฤทธิ์มีเดชจริงนะแต่มันไม่ค่อยย้อนกลับมาดูกายดูใจนะแล้วทำอนุสติเอาอันนี้ย้อนกลับมาดูกายดูใจง่ายนะเจริญเมตตากรุณามุทิตตาอุเบกขาในพรหมวิหารสีอัปปมัญญาสีนี่ก็ได้นะอนนี้ก็ได้มีเยอะแยะนะกรรมฐานนะหรือคิดกรรมฐานเฉพาะ ต, ตัวของเราเองก็ได้ เราสวดมนต์สวดมนต์ของเราไปไม่ได้คิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สวดมนต์ไปเรื่อยๆแล้วมีความสุขสวดมนต์ไปใจก็สงบแท้จริงแล้วสมถกรรมฐานไม่เลือกอารมณ์หมายถึงอารมณ์อะไรก็ได้นะถ้าไม่ยั่วกิเลสได้หมดเลยไม่เลือกจะไม่เหมือนวิปัสนาวิปัสนาเลือกอารมณ์ต้องรู้รูปนามเท่านั้นมีคําว่าเท่านั้นต้องรู้รูปนามแล้วก็เห็นใจรักษ์ของรูปนามเท่านั้นะ ในอารมณ์บัญญัติเรามาทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะไม่มีไตรลักษณิพานเรามาทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะเราไม่มีนิพานเราไม่เห็นคนที่เห็นนิพานเขาก็ไม่ทำวิปัสสนาเขาเห็นไปแล้วเขาเสร็จไปแล้วงั้นถ้าเราต้องการให้จิตสงบนะเราก็ดูตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานชนิดไหนแล้วสงบเราก็อยู่กับ น, นั้นหลวงพ่อตอนที่เป็นโยมก็ใช้อนาปนานสติ แลใจสงบแต่บางวันบางวันทำงานหนักมากคิดอุตรุดเลยนะนั่งประชุมนั่งคิดรวบรว ม, รวมข้อมูลวิเคราะห์อะไรต่ออะไรหาทางเลือกในการแก้ปัญหาทำงานหนักหัวเนี่ยหมุนติ้วติ้ต้ตเลยเหนื่อยมากไม่สามารถจะทำอานาปนานสติได้ทำอานาปนานสติจิตจะไม่ลงเลยเหนื่อย ในบากหลวงพ่อก็มีสมถะแบบที่เราหาเองไปซื้อนังสือการ์ตูนเด็กมาอ่านต้องการ์ตูนเด็กนะห้ามอ่านการ์ตูนผู้ใหญ่น ะ, ะการ์ตูนผู้ใหญ่ยั่วกิเลสอ่านการ์ตูนเด็กที่บอกว่าเด็กอ่านได้โดยผู้ใหญ่ไม่ต้องให้คําแ น, น ะ, ะนําอะไปอ่านการ์ตูนนี่อ่านแล้วก็หัวล้อไปตอนที่เราหัวล้อเนี่ยใจมันก็เล่มคลายใช่ไมมันคลเครียดคลายเครียด หรอ่านพลน้ก่อนจิมหวนเนียแต่อย่าไปอ่านเพชรพระอุมานะอ่านแล้เครียดกว่าเก่าอีกนะมันแต่งเก่งจริงๆนะแต่งละพาให้คนเครียดตลอดเรื่องเลยนะสุดญาดมนุษย์เลยนะั้นะอ่านอะไรที่มันผ่อนคลายก็ได้บางวันไม่มีกระตูนอ่านหยิบพระเครื่องมาสองะมีพระเครื่องอยู่ไม่กี่องค์เราสอง <S <S <S <S โอ้โหพลังดีนะ สอนงองโน้ น, อนสอนอง น, อ น, นี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจิตได้แรงลนะจิตสงบจิตสบายทำไมสงบสบายอ่านการ์ตูนก็มีความสุขเราชอบดูพระไปดูพระเรามีความสุขดูพระมันไม่ได้มีกิเลส น, นะแต่อย่าไปดูโฆษณาขายพระนะถ้าไปดูโฆษณาขายพระกิเลสจะขึ้นอย่างร้ายแรงนะให้ดูของที่มีแล้วไม่มีกิเลสหรอกนะอดูไปเรื่อยๆ ใจสบายใจมีความสุขสมาธิเกิดพอสมาธิเกิดนะกลับมาหายใจสองทีจิตรวมเลยนะจิตสงบเลยเนี่ยมันก็ต้องมีเทคนิคเหมือนกันนะมีโยงคนหนึ่งเป็นด็อกเตอร์เก่งแล้วก็รวยด้วยทํางานไม่กี่ปีนะมีเงินเป็นร้อยล้านเลยแต่ว่าเครียดจัดเป็นคนที่สมองมันตื่นตัวตลอดเวลาสารเคมีในสมองนี่ผิดปกติอัลเลอรตลอดเลยนอนก็ไม่ค่อยหลับ เขาฝึกกรรมฐานมากก็ดีขึ้นดีขึ้นนะมีอยู่ช่วงหนึ่งเครียดขึ้นมาอีกมาหาหลวงพ่อว่าจะทํำยังไงดีกรรมฐานที่ทําอยู่ไม่ลงและหลวงพ่อก็ถามว่าทําอะไรแล้วมีความสุขบ้างล่ะที่มันไม่มีกิเลสร้ายแรงอะ่ะเขาบอกเขาร้องเพลงแล้วมีความสุขบอกเออไปร้องเพลงไปแต่อย่าไปให้คนอื่นได้ยินน ะ, ะเราสงสารคนอื่นนะ เรฟังเสียงแก่แล้วนะแกร้องเถอะนะแต่กอยาให้คนอื่นได้ยินเนอะ <c oughs> เข้าห้องปิดประตูเปิดแอร์ร้องไปเถอะนะอยู่ในห้องของตัวเองไปร้องเพลงนะจิตผ่อนคลายพอร้องเพลงแล้วมีความสุขนะพอจิตผ่อนคลายนะมาภาวนาต่อมันก็เข้าได้แนละจิตก็สงบได้มันก็มีเทคนิคนะยังจกมาฐานสี่สิบข้อที่พระท่านรวบรวมมาให้อยู่ในคำภี์วิสุทธิมรรคไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกหรอก นะแต่ท่านก็รวบรวมมาจากพระไตรปิฎกสี่สิบข้อนั้นเราจะหาเกินนั้นก็ได้นะแต่ต้องรู้จักเลือกรู้จักดูตัวเองถ้าจิตอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขอานะรมณ์นั้นไม่ยั่งกิเลสมีสติอยู่ไม่นานจิตก็จะสงบนี่คือหลักของการทำสมถะสอนเยอะหน่อยเพราะอันนี้ต้องใช้ ต่อไปในชีวิตเราระจญกับปัญหาหนาน า, นาชนิดมันเครียดมันเหนื่อยมันวุ่นวายให้ใจมันได้มีที่พักบ้างอย่าไปพักตามผับตามบาร์อันนั้นไม่ได้พักจริงมาพักอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุโทโธอันนี้ได้พักจริงๆรนะิกลับบ้านเราเหนื่อยแล้วทํางานไม่ต้องไปร้องเพลงที่อื่นบนะางคนมันมาร้องคาราโอเกะอยู่ยข้างวัดนะเราโอ้รู้สึกเหมือนเสียงเปรต หรเสียงผีจะร้ในอเวจีคล่ำครวญยังไงก็ไม่รู้นะโอ้โอะไรเงี้ยร้องทําไมอ่ะอย่าร้อ ง, <laughs> อ, าองดีกว่าถ้าร้องก็ไปร้องคนเดียวนะคนโบราณเขาไม่มีห้องแอร์ห้องเก็บเสียงอ่ะเวลาเขาซ้อมของสําคัญเขาซ้อมที่ไหนรู้ไหมซ้อมในตุ่มอย่างเขาจะซ้อมสีซอไม้ตายลูกเด็ดพีเด็ดถ้าคนอื่นได้ยินนะเดี๋ยว มันฟังแล้วมันเล่นตามได้เนีย่ยซุ่มอยู่ในตุ่มนะเราก็ไปซุ่มไหมอย่าไปร้องให้คนอื่นเขาได้ยินสงสารสัตว์โลกบ้าง <c oughs> อันนี้คือเครื่องของสมถะนะทำแล้วจิตใจจะได้พักผ่อนมีเรื่องมีแรงไปสู้กับโลกแล้วถ้าถัดจากนั้นเนี่ยทุกวันต้องแบ่งเวลาทําในรูปแบบแล้วก็ฝึกให้จิตตั้งมั่นบ้างคือสมาธิชนิดที่สอง ตัวนี้ถ้าเราอยากได้มรรคผลนะมีสมาธิชนิดแรกไม่เกิดมรรคผลหรอกเพราะสมาธิชนิดแรกเอาไว้พักผ่อนไม่ได้เอาไว้ทำมิปัสสนาสมาธิอย่างที่สองคือจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเห็นรูปนามเนี่ยมันแสดงละครจิตเป็นคนดูนะรูปนามแสดงละครให้จิต ด, ดูร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูอะไรเงี้ยดงนั้นต้องฝึกจนกระทั่งได้จิตที่เป็นคนดูสมาธิอย่างที่สองนะั้นเมื่อฝึกแล้วจะได้จิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมา จิตที่เป็นคนดูขึ้นมาวิธีฝึกให้รู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่รู้กับจิตที่ไหลนั้นเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันจิตที่ไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดนะกับจิตผู้รู้เนี่ยตรงข้ามกันจิตผู้รู้นั้นไม่ไหลโดยไม่ได้บังคับเห็นมมีคำว่าไม่ได้บังคับอีกแล้วคำสอนทุกอย่างที่หลวงพ่อสอนนะจะมีคำว่าไม่ได้เจตนาไม่ได้ทาไม่ได้บังคับ กำกับอยู่เสมอเลยนะมันถือจะเป็นสติตัวจริงสมาธิตัวจริงอะไรเนี่ยที่จะเป็นเวนศีลนะศีลเนี่ยต้องจงใจบังคับตัวเองไม่ให้ทําผิดนะในเบื้องต้นถือว่าเจตนางดเม้นถึงเป็นศีลแต่ถ้าต่อไปเรามีศีลอัตโนมัติเรีอริยะกันตัดศีลศีลที่พระอริยชมเชยแล้วมีสติมีสติอยู่กิเลสครอบงําจิตไม่ได้ศีลอัตโนมัติเกิดสุดท้ายก็ลงอัตโนมัติเหมือนกัน วีธีฝึกให้มีสมาธิอัตสนมัติเนี่ยสมาธิที่จิตตั้งมั่นทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งเคยพุโทโธก็พุโทโธเคยหายใจก็หายใจเคยดูท้องพองยุบ ก, ก็พองยุบไปเคยทําจังหวะขยับมือก็ทําไปแต่ไม่ได้ทําเพื่อให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์กรรมฐานหากแต่ทําเพื่อรู้ทันจิตถ้าจิตหนีไปจากอารมณ์นั้นรู้ทันจิตไหลไปจับที่อารมณ์นั้นก็รู้ทัน จิตเคลื่อนได้สองอย่าง1เคลื่อนไปอยู่ที่อื่นเลยอันที่สองเคลื่อนเข้าไปตะครุบอารมณ์อนั้นแล้วก็แนบอยู่ด้วยกันเคลื่อนไปตะครุบอารมณ์แล้วแนบอยู่ด้วยกันเป็นสมถะอย่างที่1นึสมาธิอย่างที่1จิตเคลื่อนเข้าไปจับอารมณ์ถ้าอย่างที่2เนี่ยจิตเคลือ่อนเข้าไปจับอารมณ์รู้ทันจิตหนีไปที่อื่นหนีไปคิดรู้ทันทําไมต้องหนีไปคิดหนีไปคิดเกิดบ่อยที่สุด หนีไปดูหนีไปฟังอะไรอย่างเวลาเราอยู่ในบ้านเรานั่งสมาธินะมันไม่ได้หนีไปดูไปฟังอะไรนะนานๆจิงจกร้องทิงจิตก็ไหลไปฟังทิงงนั้นะส่วนใหญ่จะหนีไปคิดเล่นก็เล่นของที่เกิดบ่อยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิด ท, ทันทีที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนอาจจะไหลไปคิดหรือไหลเข้าไปตะครุบไปเพ่งอารมณ์กรรมฐา น, านทันทีที่รู้ว่าไหลความตั้งมั่นจะเกิดอัตโนมัติ เพราะความตั้งมั่นคือความไม่ไหลโดยไม่ได้บังคับว่าห้ามไหลนะไม่ได้บังคับเลยการที่จิตไหลไปนั้นไหลด้วยอํานาจของโมหะชื่อว่าอุทธัจจะความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเนี่ยจิตจะฟุ้งไปหารูปเสียงกลิ่นรสปุถะพราธรรมรมนะฟุ้งไปทางตาหูจมูกลิ้นแก่ใจสร้านไปในรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพราธรรมรมจิตมนันจะไหลไปเป็นกิเลสเป็นโมหะ ทันทีที่เรามีสติรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านจิตไหลคือจิตฟุ้งซ่านทันทีที่รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านหรือจิตไหลเนีการไหลจะดับอัตโนมัติเพราะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสนี่คือกฎของธรรมะงั้นเราฝึกรู้ทันจิตที่ไหลบ่อยๆต่อไปพอจิตไหลปุ๊บรู้เองโดยไม่ได้เจตนาเห็นไหมต้องฝึกรู้ทันจิตที่ไหลหลวงพ่อถึงเล่นร่วมยอดเลยรู้ทันจิตที่ไหลไปนะ รู้ทันจิต ท, ที่ไหลนะราค่าโทสะก็เกิดไม่ได้รับรองไม่ทำผิดศิทธห้าถ้ารู้ทันว่าจิตไหลจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นโดยไม่ได้เจตนานะแล้วถ้าจะเจริญปัญญาต่อด้วยการดูจิตนะเห็นจิตไหลแค่นี้ก็พอแล้วจิตดวงหนึ่งรู้ดวงหนึ่งไหลสลับกันขณะที่ไหลไม่รู้ขณะที่รู้ไม่ไหลจะสลับกันไปเรื่อย สุดท้ายปัญญาจะเกิดจะเห็นว่าจิต ท, ที่รู้ก็ไม่เที่ยงจิต ท, ที่ไหลก็ไม่เที่ยงจิต ท, ที่รู้สั่งให้รู้ตลอดก็ไม่ได้จิต ท, ที่จะไหลนะห้ามไม่ให้ไหลก็ไม่ได้เป็นอนัตตานี่แค่ดูจิต ท, ที่เคลื่อนกระดุกกระดิ๊กระดุกรดกระดิ๊แค่นี้นะได้หมดแล้วศีลสมาธิปัญญาเพระฉั้นที่หลวงปู่ดูลสอนดูจิต ด, ดูจิตนะกว้างขวางลึกซึ้งมากนะการภาวนานเนี่ยโหมันมากเลยเรามีทางพลิกแปลงเล่นอะไรได้อีกเยอะเลย แม่พวกเราไม่เอานะเรียนให้ได้หลักที่หลวงปู่สอนหลวงปู่บอกอย่าส่งจิตออกนอกอย่าส่งจิตนอกอ ย, อ, ยอย่าไยุ่งเรื่องอื่นดูแต่เรื่องของตัวเองดูของตัวเองนะอย่างนี้ถึงยังไม่พลาดหลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่เจ็ดเดือนนะเจ็ดเดือนหลวงปู่บอกว่าพึ่งตัวเองได้แล้วทาถูกล้งั้นพูดเต็มปากว่าที่หลวงปู่สอนดูจิตสอนอย่างนี้นะไม่ใช่สอน ให้ทำจิตอย่างน้นอย่างนี้นั่นของปลอมวันนี้ว่าจะเทศเรื่องจารเจริญปัญญาแต่หมดทบถวนของที่พวกเราต้องไปใช้นะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก่อนแล้วจะมาสอนวิธีเจริญปัญญาให้นะอาไปกินข้าวนี่หมดเลยครับ